ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินนยะสังฆะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีรังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่ยี่สิบสามนิสยะวินิชยกถาคถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการถือนิสัย ก็ในคำว่านิสัยนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ชื่อว่านิสัยนี้ใครควรให้ใครไม่ควรให้ควรให้แก่ใครไม่ควรให้แก่ใครอย่างไรเป็นอันถือเอาอย่างไรเป็นอันระนับใครต้องถือนิสัยอยู่ใครไม่ต้องถือนิสัยอยู่ก็มีหัวข้อมัจกา8ข้อนะ ข้อแรกนี้ใครควรให้ผู้ที่จะให้นิสัยเนี่ยใครเป็นคนที่จะให้ได้ข้อที่สองใครไม่ควรให้ใครไม่สามารถที่จะให้นิสัยได้ข้อที่สามควรให้แก่ใครข้อที่สี่ไม่ควรให้แก่ใครความเหมาะสมคือใครเป็นผู้ที่สามารถที่จะควรแก่การที่จะได้รับนิสัยใครไม่ควรได้รับนิสัยข้อที่ห้าอย่างไรจึงเป็นอันถือเอาข้อที่หกอย่างไรเป็นอันระงับแล้วก็ข้อที่เจ็ด ใครต้องถือนิสัยอยู่ข้อที่แปดใครไม่ต้องถือนิสัยอยู่ในปัญหากรรมนั้นึงทราเนื้อความในปัญหาที่ว่าใครควรให้นิสัยใครไม่ควรให้นิสัยสองข้อแรกนี้ก่อนแก้ว่าพิสุใดเป็นผู้ฉลาดผู้สา ม, มารถมีภรษาสิบหรือเกินสิบโดยอุปสมบทพิสุนั้นควรให้นิสัย ภิกษุนนอกนี้ไม่ควรให้ถ้าให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนภิสษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษจผู้ฉลาดผู้สามารถมีพรรษาสิ์หรือเกินสิบให้อุปสมบทให้มิสัยดังนี้เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะให้มิสัยได้เลยนะคือต้องมีพรรษาสิบแน่นอนแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ ฉลาดผู้สามารถด้วยความฉลาดความสามารถนั้นก็แสดงอาาธิบายไว้ในอัตถกถาพิกุโนวาทะสิกขาบทในพิกุณีวัชในสิกขาบทที่หนึ่งเลยเรื่องของความฉลาดความสามารถเหนือซึ่งแสดงเรื่องความเป็นปูสูตรสามประเภทสามสัพเพกนะก็คือนิสัยมุจจนตะภูสูตรเนี่ยหมายถึงภูสูตรที่พอที่จะพ้นจากนิสัยได้ แล้วก็ปริสูปประกาศผู้สูตรหมายถึงผู้สูตรที่จะให้ผู้อื่นถือนิสัยคือมีบริษัทอุปถัมภ์ได้แล้วก็ภิกขุโนวะทะผูสูตรหมายถึงว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะสอนภิกษุนีได้จะมีผู้สูตรสามประเภทสําหรับในเรื่องนี้พึงทราบภิกษุผู้เป็นปริสูปปัตถาประกาศผูสูต ร, ร, ตรก็คือผู้สูตรที่สามารถที่จะมี บริษัทอุปถาให้นิสัยได้เนยนะด้วยคำว่าพิกษุเป็นผู้ฉลาดนี้จึงอยู่พิกษุผู้ปริสูปัฏฐานประกาศมีภรรษาสิบโดยอุปสมบทพึงกระทําวิพังทั้งสองให้ช่ำชองคล่องป่าเพื่อแนะนำบริษัทในอภิวินัยคือต้องได้พิขุวิพังและพิคุนีวิพังด้วยนะต้องสวดได้คล่องปา แล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยแนะนําบริษัทได้โดยกําหนดอย่างต่ําที่ตุดก็คือต้องได้ทิ่ขูวิพังแล้วก็ทิ่คุณีวิพังเมื่อไม่อาจเพื่อกระทําวิพังทั้งสองคำทีให้ควรแกหมายถึงว่าถ้าไม่อาจจะส่งวิพังทั้งสองได้ก็พึงกระทําวิพังทั้งสองคำทีนั้นให้ควรแกการผัดเปลี่ยนการตับที่ตุกสามรูปก็คือสามารถที่จะ สามรูปเนี่ยคือแบ่งกันน่ะใครจะสวดตอนไหนก็ได้ให้ครบสามรูปนี้ก็ผัดเปลี่ยนกนนันในวิพัฒน์ทั้งสองนี้ได้เพึ่งเรียนกรรมและไม่ใช่กรรมก็คือเรื่องของการทําสังกรรมอะไรต่างๆและขันธ์ถกากวัดคือข้อวัดปฏิบัติในเรื่องของข้อวัดต่างๆในรายละเอียดขันธกาวัดอยู่ในมหาวัดจุลวัรนพวกนี้นะ และเพื่อจะแนะนําบริตัทในอภิธรรมถ้าเป็นผู้กล่าวมัชฌิมนิกายพึงเรียนมู ล, ลปัญ น, นาผู้กล่าวทีคนิกายพึงเรียนแม้มหาวัคผู้กล่าวสังยุตตนิกายพึงเรียนสามวคข้างต้นก็คือสักการาวัคนิธานวัคแล้วก็ขันธวรวรคหรือมหาวัค ก, ก็ได้ผู้กล่าวอังคุตารนิกายพึงเรียนครึ่งนิกายข้างต้นหรือข้างกลาย ผู้ไม่สามารถแม้จะเรียนข้างต้นตั้งแต่ติดกนิบาตไปก็ควรแต่ในมหาปัญจเรีกล่าวว่าผู้เรียนเอานิบาตเดียวแม้จะเรียนเอาเจตุกนิบาตหรือปัญจกนิบาต ก, ก็ควรผู้กล่าวชาดกพึงเรียนเอาชาดกพร้อมทั้งอัตตกถาจะเรียนต่ำกว่าชาดกพร้อมทั้งอัตตกถานั้นไม่ควรถ้าจะให้บริจัดอุปถาจะให้นิสัยก็ต้องเรียนรู้ชาดกด้วยนะ เพื่อเวลาที่มีปัญหาอะไรต่างก็จะได้ยกเรื่องอดีตของผู้ปธิจ้ามาเป็นอทาหอนเปรียบเทียบแนะนำชี้แจงท่านกล่าวไว้ในมหาปัญ จ, จรียว่าจะเรียนเอาแม้ธรรมบทพร้อมทั้งวัตถุนิทานก็ควรถามว่าจะเลือกเรียนเอาจากนิการ น, นั้นๆมีมัชมันกายเป็นต้นแม้เพียงมูลละปะัญญาควรหรือไม่ถามว่าควรแตไม่ควร ตอบว่าท่านปฏิเสธไว้ในอาตมาถากุรุนทีว่าไม่ควรในอาตกาาถานอกนี้ไม่มีการวิจารไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเลอกเรียนเอานิการ น, นั้นเนี่ยมีมัชฌิมนิการเพียงมูลแลวปันนาสนิกาเยเดียวได้ไหมท่านบอกว่าไม่ควรควรจะต้องเรียนหลายนิกายในอภิธรรมท่านไม่ได้กล่าวว่าควรเรียนเอาอะไร พิสูุใดช่ำชองวินัยปิฎกและอริธรรมพร้อมทั้งอัจฉริยแต่ไม่มีคันถะมีประการดังที่กล่าวในสุตตันตปิฎกพิสูตนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะให้บริสัทอุปทาคือรู้วินัยชำนาญแล้วแล้วก็รู้อริธรรมพอสมควรแล้วแต่ว่าไม่รู้พสูตเลยอันนี้ก็ไม่ได้เพื่อจะให้บริสัทอุปทาจะมาให้นิสัยคนอื่นไม่ได้นะไม่เข้าคุณสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าคุณสมบัติแล้วก็ ยังขืนให้นิสัยก็มีอาบัตทุกกฎแต่พิกตุใดเรียนคันถะมีประมาณดังกล่าวแล้วจากสุตันตปิฎกบ้างจากวินัยปิฎกบ้างพิกษุนี้เป็นปริสูปัตถาปร ะ, ะเป็นพหูสูตรเป็นทิสาปามโมกไปได้ตามความปรารถนาย่อมได้เพื่อจะให้บริษัทธอุปถานั่นก็คือหมายถึงว่าให้นิสัยแกพิกตุที่ยังไม่พ้น นิสัยได้ทิสุผู้เป็นปริสูปัฏฐาประกาศถูสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์เอาแล้วในอัตนี้ว่าเป็นผู้ฉลาดดังนี้ส่วนทิสุใด ย, ย่อมอาจเพื่อกระทําการอุปถาเป็นต้นแกอันเตวาสิกหรือสัตวิภิหาริกผู้อาพาทิสุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์เอาแล้วในอัตนี้ว่าเป็นผู้สามารถดังนี้ ถ้าเป็นผู้ฉลาดก็หมายถึงเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในวิพังด้วยในพระพิธรรมแล้วก็ในพระสูตรต่างๆเหล่านี้ด้วยถ้าเป็นผู้สามารถก็หมายถึงว่าสามารถที่จะอุปทาหรือว่าดูแลสัตว์ทีหายฤกอันเทวาสิทธิผู้ที่ป่วยไม่สบายได้ที่แน่นอนก็คือว่าต้องมีปัญษาสิทธิหรือว่าเกินสิทธิขึ้นไป แม้วเป็นผู้ที่สรงพระตรลีดดกแล้วเป็นผู้สามารถเดียวยาอนุเคราะห์ที่สูุป่ว ย, ยไข้ได้แต่ว่าพรรษายังไม่ถึงสิบก็ไม่สามารถจะให้นิสัยได้ถ้าคือให้นิสัยก็ต้องบัตรทุกกก็คําใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอันนี้เป็นองค์เป็นองค์ของที่สุปูดที่จะให้ถือนิสยัยในกันหับปักที่หนึ่งกันหัปักหมายถึงว่าปักที่เป็นฝ่ายข้างที่ไม่ควรหมาไมุม่งว่าไม่พึงทํา เป็นฝ่ายดำดูกรที่สูตรทั้งหลายที่สูตรประกอบด้วยองค์หไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้มิสัยไม่พึงให้สามเณรอุปทาคือไม่ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นของพระอสเสขะหนึ่งไม่ประกอบด้วยกองสมาธิอันเป็นของพระอสเสขะหนึ่งไม่ประกอบด้วยกองปัญญาอันเป็นของพระอสเสขะหนึ่งไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติอันเป็นของพระอสเสขะหนึ่งไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัศนะ อันเป็นของพระอาเสขะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สัมเูรณอุปทาเพราะฉะนั้นองค์ห้านี้ก็หมายถึงผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์แหละเพราะว่าศีลสมาธิปัญญามิมุตติแล้วก็มิมุตติญาณทัศนะอันเป็นอาเสขนี้หมายถึงเป็นธรรมขันห้าของพระอาหารหันต์ เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะให้อุปสมบทไม่ควรให้นิสยัยไม่ควรให้สามเนธอุปทาอันนี้เอาขั้นสูงแบบอุกฤษเลยแต่ว่ามีขั้นต่ากว่านี้กานหักปักที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสยัยไม่พึงให้สัมเนธอุปทาคือตอนเองไม่ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นของพระอาเดค่ะ และไม่ชักชวนผู้อื่นในกองศีลอันเป็นของพระอเสขะหนึ่งตนเองไม่ประกอบด้วยกองสมาธิอันเป็นของพระอเสขะและไม่ชักชวนผู้อื่นในกองสมาธิอันเป็นของพระอาเสขะหนึ่งตนเองไม่ประกอบด้วยกองปัญญาอันเป็นของพระอเสขะและไม่ชักชวนผู้อื่นในกองปัญญาอันเป็นของพระอเสขะหนึ่งตนเองไม่ประกอบด้วยกองมิมุติอันเป็นของพระอเสขะและไม่ชักชวนผู้อื่น ในกองวิมุตติอันเป็นของพระอาเสขะหนึ่งตนเองไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาทัศนะอันเป็นของพระอาเสขะและไม่ชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติยานัศนะอันเป็นของพระอเสขะหนึ่งดูกที่สุดทั้งหลายที่สูจผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สามเณรอุปทาอันนี้ก็ยังเป็น คุณธรรมของพระอาหารหันต์นะว่าถ้าไม่มีคุณธรรมของพระอาหารหันต์เหล่านี้ก็คือธรรมขันธ์ห้าอย่างแล้วก็สามารถชักชวนผู้อื่นในกองคุณก็คือธรรมขันธ์ห้าของพระอาเซขาเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ควรจะมาให้สำเนินอุปถาหรือว่าไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยเหมือนกันอันนี้เป็นปักที่สองเป็นหงห้าในในยัที่สองการหาปักที่สาม ดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สัมมณีนนอุปทาคือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้ไม่มีหิริคือความละอายหนึ่งเป็นผู้ไม่มีโอตระปคือความเกรงกลัวตบะหนึ่งเป็นผู้เกียจครา้านไม่ปรรความเพียรหนึ่งเป็นผู้มีสติหลงลืมหนึ่งก่อนที่สุดทั้งหลาย ศิษสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สามเณรอุปทาอันนี้ก็เป็นผู้ที่ถ้าใครมีองค์ประกอบห้าอย่างนี้จึงเป็นองค์ประกอบที่ไม่ดีเลยก็ไม่ควรในการที่จะไปให้อุปสมบทหรือว่าให้นิสัยหรือว่าให้สามเณรอุปทาสามปัจจักแรกเป็นองค์แห่งผู้ที่ไม่สมควรเท่านั้นไม่เป็นองค์แห่งอาบัตเป็นองค์แห่งผู้ที่ไม่สมควรกา ยังมีองค์เหล่านี้องค์ห้าปัญจกะสา ม, มวดนี้ก็ไม่ควรที่จะไปให้อุปสมบทให้นิสัยแล้วก็ให้สามเณรอุปทาแต่ว่าไม่ได้ปรับอาบัดอะไรไว้หรอกส่วนตันหักปักที่สี่ดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สามเณรอุปทาคือเป็นผู้วิบัติ ด, ด้วยศีลในอาทิศีลหนึ่ง ก็คือสิ่ก็ยังรักษาไว้ไม่ดีเป็นผู้ที่มีศีลวิบัติเป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระในอัจฉาาริานหนึ่งก็คือผู้ศึกษาบทเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาจาระมรารยาทต่างๆก็ยังรักษาไว้ไม่ดีเป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิในทิฏฐิอันยิ่งหนึ่งความเห็นก็ยังไม่ตรงจึงเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดคาดเคลื่อนในเรื่องของข้อประพฤติปฏิบัติต่างๆ เป็นผู้ระดับน้อยหนึ่งก็คือไม่ฉลาดนั่นเองไม่ใช่เป็นผู้โหสุดเป็นผู้มีปัญญาสามหนึ่งเป็นผู้โง่เขลาปาปัญญาอยู่ดูก่อนเพี้กตุทั้งหลายเพี้กตุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสยัยไม่พึงให้สามเณรอุปทาเพราะฉะนั้นหมวดห้าในในยัคที่สี่นี้สามข้อแรกนั้นเป็นองค์แห่งบุคคลที่ไม่สมควร ก็คือยังศีนยังวิบัติอยู่อาจารย์ยังวิบัติอยู่ทิ่ถีบยังวิบัติอยู่ไม่สมควรจะมาให้สมณีนุปทานหรือว่าไม่สมควรให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยสามข้อแรกนี้เป็นองค์ของการไม่สมควรไม่มีอาบัติแต่ว่าสองข้อหลังนี้เป็นองค์แห่งอาบัติเลยก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้สูตรไม่ได้ทรงคําสอนไม่ได้ทรงวิพังทั้งสองไม่ได้เป็นผู้ที่ทรงพระวินัยแล้วก็พระวิธรรมต่างๆ เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ระดับน้อยไม่ฉะลาดนั่นเองเป็นองค์อาบัตแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาสามนี่ก็เป็นองค์ของอาบัต ด, ด้วยส่วนปัญหาปักที่ห้าดูก่อนที่สุดทั้งหลายทิกสุ่ผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสยัยไม่พึงให้สามเณรอุปถาคือไม่สามารถจับพยาบาลเองหรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัตว์ชีวิหาริษผู้อ า, าพาธหนึ่งไม่สามารถพาหลีไปเองหรือให้คนอื่นพาหลีไปหนึ่งเมื่อมีความกระสันก็ต้องพาไปเที่ยวพาไปอะไรต่างไม่สามารถจับบรรเทาเองหรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมหนึ่งไม่รู้จักจะแสดงธรรมเพื่อบรรเทาความเบื่อหน่ายต่งตางๆของลูกศิษย์ นี่ก็ไม่ควรจะมาให้บวชไม่ควรให้ถือนิสัยต่อไปไม่รู้จักอาบัตหนึ่งอาบัตต่างๆก็ยังไม่รู้จักยังไม่ท่วนทียังไม่รู้ละเอียดไม่รู้จักวิธีการออกจากอาบัตหนึ่งไม่รู้เลยว่าสังฆลิเศสจะต้องออกด้วยวิธีการอย่างไรอาบัตเบาอาบัตหนักออกอย่างไรไม่รู้อันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันดูก่อนที่สุดธทั้งหลายพิสถูกผู้ประกอบได่องห้านี้แล ไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สามเณรอุปทาในองค์ห้าในปักที่ห้านี้สองข้อแรกเป็นองค์แห่งบุคคลผู้ที่ไม่สมควรก็คือเป็นผู้ที่ไม่สามารถจับพยาบาลเองหรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเทวาสิตหรือธรรมชาติวิหาริสผู้อาภาิษฐอย่างหนึง่งกับไม่สามารถจะพาลีดไปเองหรือว่าให้คนอื่นพาหลีดไปอย่างหนึง่ง อันนี้ถ้าไม่มีคุณสมบัติสองข้อนี้เป็นผู้ที่มีองค์สอข้อนี้ก็ไม่ควรในการที่ให้อุปสมบทแต่ว่าสามข้อหลังนี้นอกจากไม่ควรแล้วยังเป็นองค์ของอาบัติ ด, ด้วยก็คือไม่สามารถจะบรรเทาเองหรือว่าหาผู้อื่นบรรเทาความเบื่อหน่ายอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมของลูกศิษย์เนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักอาบัติอีกข้อนึงไม่รู้จักวิธีการออกจากอาบัติอีกข้อนึงอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่รู้วิพัง ยังไม่จำแจ้งในวิพังทั้งหลายเทนั้นจะมาให้อุปสมบทหรือว่าให้นิสัยหรือว่าให้สําเนินอุปถากไม่ได้สามข้อหลังนี้เป็นองค์ของอาบัตสองข้อแรกนั้นเป็นองค์ของบุคคลที่ไม่สมควรเท่านั้นไม่กลับอาบัติต่อไปกันหปักที่หกดูก่อนทีสุดทั้งหลายเชื่สู่ผู้ประกอบได้องห้าแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สําเนินอุปถาบคือ ไม่อาจฝึกเปรืออันเตวาสิกหรือสัตวิหาริศในสิกขาอันเป็นอภิสมะจารก็คือข้อประพฤติต่างๆที่เป็นข้อวัดรอบเหนือจากในปาติโมกอย่างหนึง่งไม่อาจจะแนะนําในสิกขาอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรมจรรย์อย่างหนึง่งอันนี้ก็ในปาติโมกโพวกสิกขาบทใหญ่ๆที่เป็นอธิพรมจรรย์ไม่อาจจะแนะนําในอภิธรรมอย่างหนึง่ง ไม่สามารถจะแนะนำในเรื่องของปรมัติ์เรื่องของสัจจะความเป็นจริงได้ไม่อาจจะแนะนำในอภิวินัยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวินัยอย่างละเอียดต่างๆในขันธวัตในปริวาระแล้วก็ไม่อาจเรื่องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมอย่างหนึ่งดูก่อนเิี้ยุทั้งหลายเิี้ตุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สามเณรอุปทา ในองค์ห้าโดยนัยะที่หกเป็นอาบัติทุกๆบทเลยทุกๆองค์เลยถ้าไม่มีคุณสมบัติหรือว่าเป็นผู้ที่เข้าองค์เหล่านี้หมายถึงว่าไม่อ่านปึกตืออันเทวาศิกหรือว่าสัตวิหาริษในอภิสมาจารย์หรือว่าไม่สามารถแนะนําในส่วนเบื้องต้นของพระรมจารย์เนี่ยแนะนําในเรื่องของพระอภิธรรมในเรื่องของอภิวินัยนะอภิธรรมกับอภิวินัยนี่ก็เป็นเรื่องธรรมะที่ละเอียดวินัยที่ละเอียด ไม่อาจเปลี่องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมไม่สามารถที่จะทําให้ลูกศิษย์นั้นเห็นถูกขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นองค์อาบัตเลยการหปักที่เจ็ดดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สูดผู้ประกอบได้องห้าแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สามเณีอุปทางคือไม่รู้จักอาบัตหนึ่งไม่รู้จักอาณาบัตหนึ่งอะไรเป็นอาบัตก็ไม่รู้อะไรไม่เป็นอาบัตก็ไม่รู้ ไม่รู้จักอาบัตเบาหนึ่งไม่รู้จักอาบัตหนักหนึ่งในอาบัตเบาในอาบัตหนักก็ไม่รู้แล้วก็เธอยังจำปาติโมกทั้งสองฝ่ายไม่ได้ดีโดยละเอียดจำแนกไม่ได้ด้วยดีไม่คล่องแคล่วดีวินิจฉัยไม่เรียบร้อยโดยสตเตะโดยอนุพยัญชนะดูความทพี้ยุทั้งหลายเพี้ยงตุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สามเณรอุปทาน ในผู้ที่จะเป็นอุปชาหรือว่าเป็นอาจารย์ให้นิสัยนี้ต้องมีองค์ห้าเหล่านี้ก็คือต้องรู้จักอาบัตอย่างดีทุกอย่างเลยแล้วก็อะไรไม่เป็นอาบัตก็ต้องรู้ด้วยนะทําอย่างไรเป็นอาบัตทาอย่างนั้นไม่เป็นอาบัตนี้ต้องรู้อย่างละเอียดแล้วก็อาบัตเบาอาบัตหนักก็ต้องรู้แล้วก็ยังจะต้องจําปาธิโมกทั้งสองฝ่ายคือพิกขุปาธิโมกและพิกตูนีปาธิโมกไม่ได้จําได้อย่างเดียวก็ยังสามารถที่จะจําแนแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ จำได้คล่องแคล่วด้วยวินิจฉัยได้อย่างดีด้วยถ้าไม่มีคุณสมบัติทั้งห้าอย่างนี้ก็คือไปให้ถือนิสัยไปให้อุปสมบทไปให้อุปถาอันนี้ก็มีอาบัตมีอาบัตทุกกฎทั้งห้าองค์นี้เลยนะส่วนกันหาปักที่แปดสุดท้ายดูความเพี้สุดทั้งหลายเพกษสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัย ไม่พึงให้สม um ามเณรอุปทาคือไม่รู้อาบัตไม่รู้อาบัตหนึ่งไม่รู้จักอนาบัตหนึง่งไม่รู้จักอาบัตเบาหนึ่งไม่รู้จักอาบัตหนักหนึ่งแล้วก็มีพรรษาย OR ่อนสิบดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสยัยไม่พึงให้สามเณรอุปทาอันนี้ก็มีอาบัตเหมือนก Ganz ันทั้งห้าองค์นี้นะ ข้อหนึ่งสองสามสี่นี่ก็ซ้ำกับในการหักปากที่เจ็ดไม่รู้จักอาบัตดไม่รู้จักอานาบัดไม่รู้จักอาบัดเบาไม่รู้จักอาบัดหนักแต่ต่างกันตรงที่ในญันที่เจ็ดกับในญันที่แปดต่างกันตรงที่ข้อสุดท้ายข้อที่ห้านี่ก็คือในญันที่เจ็ดต้องจําปฏิโมกข์ทั้งสองให้ได้ส่วนในญันที่แปดก็ต้องมีพรรษาสิบหมายถึงว่าถ้ามีพรรษาจย่อนสิบก็ไม่ควรที่จะ ให้อุปสมบทไม่ให้นิสยัยแล้วก็ไม่ควรให้สาเนาอุปถาตกลงแล้วสามปัจจการแรกนี้เป็นองค์ของผู้ไม่สมควรเท่านั้นไม่เป็นองค์ของอาบัตก็คือไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองไม่มีธรรมขันธ์ห้าของพระอเสขาไม่สามารถชักชวนแนะนําให้มีธรรมขันธ์ห้าก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศน์อันเป็นของพระเสขารไม่สามารถชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนี้ แล้วก็ในยักษ์ที่สามก็ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตาปะเป็นผู้เกียจคร้านหลงลุ่มปติเพราะฉะนั้นสามในยักษ์แรกหรือว่าสามปัญจกะแรกเป็นองค์ของผู้ไม่สมควรไม่เป็นองค์ของอาบัตส่วนกันฑปักที่สี่หรือว่าในยักษ์ที่สี่นั้นสามข้อแรกนั้นเป็นองค์ของบุคคลที่ไม่สมควรไม่มีอาบัตส่วนสองข้อหลังเป็นองค์ของอาบัตก็คือผู้ได้สดับน้อยกับเป็นผู้ที่มีปัญญาสามในยักษ์ที่ห้านี่ก็ อ้าข้อสองข้อแรกนั้นเป็นองค์ของบุคคลผู้ไม่สมควรส่วนสามข้อหลังนั้นเป็นองค์ของอาบัตองค์ของอาบัตก็ไม่สามารถบรรเทาเองหรือว่าห้ามหาผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายอันเกิดขึ้นแล้วโดยทำไม่รู้จักอาบัตไม่รู้จักวิธีการออกอย่างอาบัตนี่ก็เป็นองค์ของอาบัตเลยนะส่วนสามปัญจาการหลังนี้อาบัตทุกๆข้อเลยอาบัตทุกบทเลยอันนี้ก็เป็นแนว หรืว pues ja, ่าเป็นวิธีการในการที่จะห้ามไม่ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถที่จะสั่งสอนแนะนําบุคคลอื่นได้แต่ว่ายังไปสั่งสอนแนะนําเพราะฉะนั้นคุณบวชที่บวชมาแล้วอุปสมบทมาแล้วไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นจะต้องมีอุปชาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้สามารถแนะนําสั่งสอนคุณบวชที่อุปสมบทถึงวิสัยได้ก็จะได้มีคุณภาพทำใหศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็ยังไป ให้อุปสมบทให้นิสัยหรือว่าทีจะมาเรีอุปชาก็มีอาบัตติดตัวนะก็มีโทษอันหนึ่งปัญจกะที่ว่ามานานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อแสดงความพิสดารแห่งลักษณะแห่งอุปชาและอาจารย์ที่กล่าวไว้โดยสังเกตอย่างนี้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตให้ทิ่สุผู้ชลาผู้สามารถมีพรรษาสิบหรือเกินสิให้อุปสมบทได้ ให้นิสัได้ในบรรดาปัญจกะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดท้ามองค์บางองค์ไว้ด้วยสามารถแห่งความเป็นผู้ไม่สมควรบางองค์ตรัดไว้ด้วยสามารถแห่งองค์ของอาบัตความจริงเป็นอย่างนั้นคือในบรรดาปัญจกะทั้งสามเป็นต้นว่าที่สุไม่ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอาศะดังนี้ และว่าตนเองไม่ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอาเสขะดังนี้แลว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาดังนี้เป็นต้นก็คือสามปัญจกแรกพระผู้มีพระอพระเจ้าตรัสห้ามด้วยสามารถแห่งความเป็นผู้ไม่สมควรหาได้ทรงทําด้วยอาํานาจองค์อาบัตไม่จึงอยู่พิกตุใดไม่ประกอบด้วยกองทำห้าของพระอเสขะมีกองศีลเป็นต้นทั้งไม่สามารถชักนําผู้อื่นในกองธทำเหล่านั้นแต่เป็นผู้ประกอบด้วยโทษ มีความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นปกครองบริษัทบริษัทของพิจุนั้นย่อมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นแท้ย่อมไม่เจริญพระเหตุนั้นคำเป็นต้นว่าอันพิจูนั้นไม่พึงให้กุลบุตรอุปสมบทดังนี้จึงชื่อว่าตรัดด้วยอำนาจแห่งผู้ไม่สมควรหาได้ตรัส ด, ด้วยอำนาจองค์แห่งอาบัติไม่อันการที่พระศีนาศเท่านั้นเป็นอุปชาและอาจารย์ได้ พ้ะผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วหาไม่ได้ส็หมายถึงไม่ได้เป็นหยักไว้ว่าคนที่จะเป็นอุปชาอาจารย์ต้องเป็นพระอาหารหันต์ขี่าศบเท่านั้นก็ถ้าจักเป็นอันทรงอนุญาตเฉพาะพระขี่นาศบนั้นเท่านั้นไซพระองค์คงไม่ตรัสคําว่าถ้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแก่อุปชาดังนี้เป็นต้นเพราะว่าบางครั้งบางโอกาสอุปชาเยอะก็มีโอกาสที่จะเบื่อหน่ายหรือว่ากระการยับยัสงศึกได้สาิวิหาริปหรือวันเตวัสิต ก็จะต้องพาไปเที่ยวหรือว่าบรรเทาความเบื่อหน่ายหรือว่าไปบอกให้ผู้อื่นมาช่วยบรรเทาความเบื่อหน่าย น, นี้ก็เป็นข้อวัดที่จะต้องปฏิบัติต่อเบญจอาจารย์เหมือนกันก็เพราะเหตุที่บริษัทของพระขีณาสพไม่เสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสธําเป็นต้นว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายทีกสุดประกอบด้วยองค์ห้าคุณให้อุปสมบทดังนี้ ในองค์ทั้งหลายเป็นต้นว่าเป็นผู้มีศีลวิบัตในอทิศีลมีวินิจฉัยว่าภิกษุต้องอบัตตราราชิกและสังฆาธิเศษชื่อว่ามีศีลวิบัตในอทิศีลผู้ต้องอบัตห้ากองนอกจากนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอาจารยวิบัติในอัชชาจฉาริานผู้ละสามาัทถิติเสียประกอบด้วยอันตากาหิกาทิฏฐิก็คือความเห็นว่ามีที่สุดไม่มีที่สุด เชื่อว่าเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิคือทิฏฐิอันยิ่งสุตตะมีประมาณเท่าใดอันทิุ่ผู้ปกครองบริษัทควรปรารถนาเพราะปราศจากสุตตะนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสุตตะน้อยก็คือสิ่งที่จะต้องศึกษาตามที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นคือได้วิพังทั้งสองแล้วก็จะต้องรู้อภิธรรมต้องรู้พระตุตันตบิโกจานวนเท่านั้นเท่านั้น เพราะไม่รู้ตัวที่เธอควรรู้มีอาบัติเป็นต้นนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสามในปัญจกะนี้สามบทเบื้องต้นสาบทเบื้องต้นก็คือมีศศลวิบัติในอธิเศนมีอาจารวิบัติในอัจาจารแล้วก็มีทิฏฐวิบัติในอติทิฏฐิเนี่ยสามองค์เบื้องต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งปิจูผู้ไม่สมควร ส่วนสองบทเบื้องปลายตรัสไว้ด้วยจา ม, มาแห่งองค์ของอาบัตก็คือเป็นผู้มีสุตตะน้อยกับเป็นผู้ที่มีปัญญาสามเพราะฉะนั้นความวิบัติเห็นสีเนี่ยถือเอาขั้นอุกฤษเลยก็คือปาราชีภกับสังฆาธิเศษใครที่ต้องอาบัตปาราชิภกับสังฆาธิเศษก็เรียกว่าเป็นผู้ทุกศีลแต่ถ้าเกิดต้องอาบัติเบาห้ากองนั่นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอาจารดาววิบัติมีอาจารตะศีไป ในองค์ว่าไม่รู้จักอาบัตมีความว่าเมื่อสัจจิวิหาริกและอันเทวสิทธ์บอกว่ากรรมชื่อนี้ผมทําแล้วครับภิกษุย่อมไม่รู้ว่าภิกษุนี้ต้องอาบัตชื่อนี้ในองค์ว่าไม่รู้จักการออกจากอาบัตความว่าภิกษุไม่รู้จักว่าการออกจากอาบัตที่เป็นวุฒานคามินีหรือเทศนาคามินีเป็นอย่างนี้ในปัญจกะนี้สองบทเบื้องต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งพิกจุผู้ไม่สมควรสามบทเบื้องปลายตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งองค์ของอาบัตอันนี้ก็เป็นเป็นในยติห้าคือไม่รู้จักอาบัตไม่รู้จักวิธีการเอาใจอาบัตแล้วก็ไม่สามารถจะบรรเทาหรือว่าหาผู้อื่นบรรเทาความเบือ่อนนายที่เกิดขึ้นแล้วโดยธรรม อ, อันนี้เป็นสามองค์ข้อท้ายเป็นองค์ของอาบัตส่วนสองบทเบื้องต้นเนี่ย ก็คือไม่สามารถพยาบาลเองหรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเทวศิษย์สัจจิวิหาริกผัวพาดได้กลับไม่สามารถทาหลีกไปเองหรือให้คนอื่นพาหลีไปเนี่ยอันนี้เป็นองค์ของบุคคลที่ทิฏฐิที่ไม่สมควรข้อว่าไม่สามารถให้อันเทวาสิษย์หรือสัตจิวิหาริกศึกษาในอภิสมาจานมีความว่าเป็นผู้ไม่สามารถแนะนําในคันธกะข้อว่าไม่สามารถให้อันเทวาสิก์ หรือศาสตรธิวิหาริศศึกษาในอาธิพรมจรรันมีความว่าเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อจะแนะนําในเสกขบัญญัติก็คือในปาธิโมฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะข้อว่าไม่สามารถแนะนําในอภิธรรมมีความว่าเป็นผู้ไม่สามารถจะแนะนําการกําหนดนามรูปการกําหนดนามรูปซึ่งเป็นปรามัตดเป็นอภิธรรมเนี่ยเกี่ยวกเรื่องวิปัสสนาข้อว่าไม่สามารถแนะนําในอภิวินัยมีความว่า เป็นผู้ไม่สามารถแนะนำในวิในปีดกทั้งสิ้นมีคำอธิบายในสองบทว่าวิเนตรงนะปติบาลโลไม่สามารถแนะนำคือย่อมไม่อาจเพื่อจะให้ศึกษาในทุกอย่างข้อว่าสามารถเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นแล้วโดยธรรมมีความว่าเพื่อจะให้สละเสียโดยธรรมคือโดยเหตุในปัญจกะนี้เป็นอาบับในทุกๆบทนี้เป็นกัรหัปกที่หก ในยะที่หกเป็นอาบัตทุกทุกบทเลยในปัญจากะาเป็นต้นว่าไม่รู้จักอาบัตมีวิริชยัยังต่อไปนี้บทว่าวิถาเรณนะได้แต่พร้อมด้วยอุปโตวิพังบทว่าณนะสวาคาตานี้ได้แก่ไม่มาแล้วด้วยดีบทว่าสุวิพัตานี้ได้แก่จำแนกดีแล้วคือเว้นจากโทษคือบทที่ตกหล่นภายหลังและสับสนกัน วัว่าสุ ป, ปวัตตินีได้แก่มีวินิจฉัยดีช่ำชองคล่องปากวัว่าสุตตะโสได้แก่มีวินิจฉัยดีด้วยสามารถด้วยแห่งสูตรก็คือจะจําสูตรพระบัญญัติได้ที่จะนํามาจากขันธกะและบริวารบทว่าอนุพ ย, ยัญชนะโสได้แก่มีวินิจฉัยเรียบร้อยโดยความบริบูรณ์แห่งอักขระและบทและเป็นตูดที่ไม่ขาดตก ไม่มีอักตรที่ผิดพลาดอัตตกาถาท่านแสดงไว้ในบทว่าอนุพยัญชนะนี้จึงอยู่วินิจฉัยนี้ย่อมมาจากอัตตกาถาแม้ในปัจจกกนี้ก็มีอาบัตในทุกๆุกบทก็คือเป็นนัยยะที่เจ็ดกัรหัปักที่เจ็ดนั่นเองถ้าข้อไม่รู้จักอาบัตข้อหนึ่งไม่รู้จักอนาบัตข้อหนึ่ง ไม่รู้จักอับัตเบาวข้อนึงไม่รู้จักอบัตหนักข้อหนึ่งแล้วก็จําปาทุโมทั้งสองไม่ได้โดยสิทธดานถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยังคืนไปให้อุปสมบทใ ห, ให้นิสัยให้สำเนาอุปถ า, าก็มีอบัตทุกทุกข้อเลยห้าองค์ห้าข้อก็อบัตห้าตัวแม้ในปัญจกะที่มีองค์ว่าพิสุมีภรษาย่อนสิทธเป็นข้อสุดท้ายก็ในนี้แหลก็คือเป็นในยักสุดท้ายในยักที่แปดกันหาปักที่แปดก็มีอับัตทุก ข, ข้อเลยทุกบท ปัญจกะข้างต้นสามในปัญจกะที่สี่ก็สามบทปัญจกะข้างต้นเนี่ยหมายถึงว่ามีห้าข้อห้าข้อทั้งสามสามปัญจกะก็เป็นสิบห้าข้อแล้วก็ในปัญจกะที่สี่ปัญจกะที่สี่ก็มีสามบทต้นที่ไม่เป็นอัมปัตอันนี้พูดถึงเป็นองค์ที่ไม่สมควรแต่เมื่อเป็นอัมปัต ปัญจากาที่สี่มีสามบทข้างต้นปัญจาการที่ห้ามีสองบทข้างต้นก็เลยรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบข้อยี่สิบข้อห้าสี่ยี่สิบก็รวมทั้งหมดเป็นสี่ปัญจากาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอำนาจที่ไม่สมควรเป็นองค์ไม่สมควรส่วนสองบทในปัญจากะที่สี่ หมถึงปัญจิกะที่สี่สองบทข้างท้ายสอบทข้างท้ายหมายถึงผู้สะดับน้อยกับผู้ที่มีปัญญาตามกับสามบทในปัญจกะที่ห้าคือสามบทข้างท้ายหมายถึงว่าไม่สามารถจะบรรเทาเองหรือว่าให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายอันเกิดขึ้นแล้วโดยทำข้อหนึ่งไม่รู้จักอาบัตข้อหึไม่รู้จักวิธีออกจากอาบัตข้อหนึ่งอันนี้เป็นสามบทข้างท้ายในปัญจกะที่ห้าแล้วก็สามปัญจกะคือปัญจกะที่หกที่เจ็ดที่แปด ปัญจกปัญจกละห้าข้อก็เป็นสิบห้าสิบห้ารวมกับสองบทในปัญจกะที่สี่และสามบทในปัญจกที่ห้าก็เป็นห้าข้อรวมทั้งหมดก็เลยเป็นยี่สิบข้อเหมือนกันยี่สิบข้อห้าสี่ยี่สิบก็หมายถึงสี่ปัญจกนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอํานาจองค์แห่งอาบัติด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้น มีองค์ของอาบัติเพิ่มหนึ่งก็คือห้าปัจจิกะยี่สิบข้อแล้วก็องค์ของผู้ที่ไม่สมควรในการที่จะให้อุปสมบทให้นิสัยให้จำเนีรอุปทห้าปัจจิกะก็ยี่สิบข้อเหมือนกันส่วนในสุกกปักแปปัจจกะก็มาแล้วโดยในที่ตรงกันข้ามกับกันหปักที่กล่าวมาแล้วก็คือผู้ที่ สมควรที่จะให้อุปสมบทสมควรให้นิสัยแล้วก็สมควรจะให้สัมมณีอุปถากเนี่ยก็ตรงกันข้ามหลักที่กล่าวมาแล้วโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรให้อุปสมบทควรให้นิสัยควรให้สัมมณีอุปถาปคือเป็นผู้ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นของพระอเศคารหนึ่งเป็นต้นดังนี้ในสุก ป, ปักนั้นไม่มีอาบัติ ในปัญจกจะทั้งพวงแลเพราะเป็นเรื่องของความเหมาะสมเป็นเรื่องความสมควรก็ในปัญหากรรมว่าควรให้นิสัยแก่ใครไม่ควรให้นิสัยแก่ใครนี้มีวิธีชัยดังต่อไปนี้ควรให้นิสัยแก่ที่สุที่เป็นลักขีบุคคลก็คือผู้ที่มีความละอายต่อบาปต่ออาบัติอาบุตรลต่างๆไม่ควรให้แก่ที่สุผู้เป็นอลัาขีนอกนี้ผู้ที่ไม่มียางอายไม่มีความ กลัต่ออาบัตพวกนี้ก็ไม่ควรจะให้นิสัยเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงให้นิสัยแก่พวกอนัตชีรูปใดให้รูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎแม้ภิกษุผู้ถือนิสัยอยู่ก็ไม่ควรถือนิสัยภิกษุอนัตชีอยู่คนที่เป็นอุปชฌาอาจารย์เนี่ยนะถ้าเป็นผู้ที่อนัตชีหมายถึงว่าไม่กลัวเกรงต่ออาบัตเลยเป็นผู้ที่รู้อยู่ก็ยังแกล้งล่วงอาบัต มีอาบัตแล้วก็ไม่แสดงคืนแล้วก็เป็นผู้ที่มีอาการเป็นประจำอารัชีนี้มีสามอย่างก็คือแกล้งล่วงอาบัติไม่แสดงคืนอาบัตแล้วก็เป็นผู้ที่มีอาการลาเอียงเสมอๆนี่ก็เรียกว่าอารัชีอุปชฌาอาจารย์อย่างนี้ก็ไม่ควรจะไป ข, ขอถือนิสันด้วยถ้าเป็นารัชีอยู่อย่างนี้บอกแล้วไม่ฟังก็ให้ไปจากอุปชฌาอาจารย์นั้นได้เลยสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ดูก่อนที่สุทั้งหลายที่สุไม่พึงอยู่ถือนิสัยพวกที่สุอลัตชีรูปใดอยู่ถือนิสัยรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎเพราะฉะนั้นถ้าอุปชาอาจารย์เป็นผู้ที่มีอาบัตติดตัวแล้วก็ไม่ยอมแสดงคืนเป็นผู้ที่ไม่กลัวเพลต่ออาบัตแกล้งร่วงเทวิ น, นัยทําให้เป็นอาบัตเสมอเสมอแล้วก็เป็นผู้ที่มีอาภาตัติอันนี้ก็ ถ้ายังไปถือนิสัยอยู่ที่สุที่จะถือนิสัยนั้นก็อาบัตทุกกดแล้วเธอก็จะกลายเป็นอรัตชีไปด้วยสำหรับในเรื่องนี้มีวิิีใัยดังต่อไปนี้บทว่าอารัตชีนังเป็นฉัดรถีวิพัฒลงในอักแห่งทุติยวิพัฒ์มีคำอธิบายว่าทิสุไม่ควรอยู่ถือนิสัยอรัชชีบุคคลเพราะเหตุนั้นทีสุผู้ไปสู่สถานที่ใหม่คือเป็นอาการดุจไปที่อื่น แม้อันีิจุปางรูปจะกล่าวว่าแน่ีิจุเธอจงมาถือนิสัยดังนี้พึงพิจารณาว่าพิจุผู้ให้นิสัยเป็นลัทธิบุคคลประมาณสี่ถึงห้าวันแล้วจึงค่อยถือนิสัยก็คือให้อยู่สี่ห้าวันก่อนบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับผมรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยถือนิสัยเพื่อที่จะดูว่าผู้ที่จะให้นิสัยนั้นนะ่ะเขาเป็นลัทธิหรือเปล่าหรือว่าเป็นอรัชี ถ้าเป็นลัทธิก็ถือนิสัยได้ถ้าเป็นลัทธิก็ไม่ควรถือนิสัยเพราะว่าถ้าไปถือสมศรีถึงห้าหรือว่าไม่ได้พิจารณาก็ไปถือนิสัยกับผู้ที่เป็นอนลัทชีก็มีอบัตทุกคนดังมีพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้รอสี่ถึงห้าวันพอจะสืบสวนรู้ว่าพิสูุผู้ให้นิสัยเป็นสภาฆ่ากันก็คือถูกส่วนกันหมายถึงว่าเป็นลัทธิด้วยกัน พระพิสุได้ฟังในสำนักของพิสุทั้งหลายว่าพระเถระเป็นลัคคีเป็นผู้ปรารถนาที่จะถือในวันที่ตนมาแล้วทีเดียวแต่พระเถระกล่าวว่าคุณจงรอดูก่อนอยู่ไปประเดี๋ยก็จะรู้กันดังนี้แล้วก็ตรวจดูอาจาระเสียสองสามวันแล้วจึงให้นิสัยการทำอย่างนี้ย่อมควรหมายถึงผู้ที่จะถือนิสัยมาเนี่ยนะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ มาถึงก็รู้ว่าอาจารย์หรือว่าผู้ที่จะให้นิสัยเป็นรัชชีคือพระพิสุทธิ์ท่ายก็กล่าวกันว่าท่านมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นก็เลยค่อยจะถือนิสัยเลยในยวันที่ไปถึงนั้นแต่ว่าผู้ที่จะให้นิสัยหรือว่าอาจารย์นั้นก็จะต้องบอกว่าคุณจงรอดูก่อนอยู่ไปเดี๋ยวค่อยรู้กันเพราะว่าถ้าไปให้นิสัยกับผู้ที่เป็นรับชีก็มีโทษเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ตรวจดูเสีย้ยสองสามวัน ถ้าผู้ที่จะมาขอนิสัยต้องตรวจดูอาจารย์สี่ห้าวันแต่ผู้ที่จะให้นิสัยผู้ที่เป็นอาจารย์ต้องตรวจดูลูกศิษย์สักสองสาวันแล้วค่อยให้นิสัยตามปกติพิสุไปสู่สถานที่ที่เคยถือนิสัยต้องถือในวันนั้นทีเดียวแม้วันเดียวก็คุ้มไม่ได้แต่ถ้าเคยถือนิสังกับอาจารย์นั้นแล้วแล้วก็ไปจากอาจารย์นั้น นิสัยก็ขาดแล้วกลับมาจะมาถือนิสัยใหม่มาถือได้ในวันนั้นเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าอาจารย์เป็นผู้ที่เป็นลรักีเคยถือนิสัยมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถือนิสัยในวันนั้นก็คุ้มไม่ได้ถ้าไม่ถือนิสัยไม่ถึงห้าพรรษาแล้วก็ไม่ถือนิสัยนี้ต้องอบัตทุกอดถ้าในปฐมยามอาจารย์ไม่มีเวลาเมื่อไม่ได้โอกาสจานอนด้วยทำในใจว่าเราจะถือในเวลาใกล้รุ่ง ถึงอารุณ์ขึ้นไม่รู้ไม่เป็นอาบัตก็คือตั้งใจไว้ว่าจะถือนิสัยแต่ว่าอาจารย์ไม่ว่างเลยอาจจะสอนจนรทั่งถึงมัชฌิมยามอย่างเนี้ยตั้งใจไว้ว่าจะถือนิสัยอย่างนี้ไม่เป็นอาบัตถ้ า, ารุนขึ้นมาแต่ถ้าไม่ทําในใจว่าเราจะถือนิสัยแล้วนอนเป็นอาบัตทุกอดในเวลาอารุณ์ขึ้นนี่ก็แสดงว่าไม่เ อ, อื้อเฟือไม่ใส่ใจว่าจะถือนิสัย เพราะฉะนั้นถ้าอารุณขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะถือนิสัยเพราะอปัตถุกฎเทศุไปสู่สถานที่ไม่เคยไปปรารถนาจะค้างสองสามวันแล้วไปไม่ต้องถือนิสัยอยู่ก็ได้จะไปที่ไหนก็แล้วแต่ตั้งใจว่าจะอยู่สองสามวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นไปถึงก็มีพระเถระจะบอกให้ถือนิสัยนี้ก็ต้องบอกว่าผมอยู่แค่สองสมวันเท่านั้นนะครับ เพรว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องอยู่ถึงสีห้าวันจึงจะรู้ว่าผู้นั้นจะให้นิสัยได้ไหมเป็นรักฉีหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่สองสาวันก็ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ก็ได้แต่ถ้ารู้ว่าเขามีสินจะถือนิสัยก็ได้แต่ว่าพอไปจากที่นั้นแล้วนิสัยก็ระ ง, งับไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ถือนิสัยก็ได้ถ้าไปอยู่แค่สองสาวันแต่เมื่ออะไรว่าเราจะค้างเจ็ดวันคือตั้งใจไว้ว่าเราจะอยู่เจ็ดวันต้องถือนิสัย ถ้าพระเถระพูดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยนิสัยสําหรับผู้ค้ามเจ็ดวันจําเดิมแต่วันที่พระเถระห้ามแล้วเธอเป็นอันได้บริหารหมายถึงได้ข้ออ้างเพราะว่าพระเถระบอกว่าไม่ต้องถือนอกเจ็ดวันแค่นั้นเองเดี๋ยวไปแล้วก็นิสัยก็ขานนะอันนี้ก็ได้ข้ออ้างก็เพราะพระบาลีว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกิุรผู้เดินทางไกลเมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัย ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ดังนี้ในขณะที่เดินทางไกลไม่ได้คนให้นิสัยก็ไม่ต้องถือไม่เป็นไรไม่อบับอายถ้าภิกษุผู้เดินทางไกลไม่ได้ผู้ที่ให้นิสัยที่เดินทางไกลกับด้วยตนอันภิกษุผู้ไม่ได้นิสัยอย่างนั้นไม่ต้องถือนิสัยไปได้สิ้นวันแม้มากประพวนเพราะว่าหากคนให้นิสัยไม่ได้ถ้าเขาไปตุอาวาสบางตำบล ซึ่งตนเคยถือนิสัยอยู่แม้ในการก่อนแม้จะค้างคืนเดียวก็ต้องถือนิสัยถ้าผ่านไปในตำบลไหนก็แล้วแต่เคยถือนิสัยต่อพระอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นอยู่ในวัดนั้นเพราะฉะนั้นจะค้างคืนเดียวก็ต้องถือนิสัยเหมือนกันพักอยู่ในระหว่างทางหรือหาหมู่เกวียนอยู่สองสามวันไม่เป็นอบัติแต่ภายในปรญษาต้องอยู่ประจาที่และต้องถือนิสัย แต่ไม่เป็นอาบัติแต่พิจุผู้ไปทางเรือทั้งที่ไม่ได้นิสัยในเมื่อฤดูฝนแม้มาแล้วถ้าเธอป่วยในระหว่างทางไม่ได้นิสัยไม่ต้องถือนิสัยอยู่ก็ควรเพราะฉะนั้นมีเหตุสามประการสามประการก็ได้แก่พิจุผู้เดินทางเนี่ยระหว่างเดินทางไม่ได้คนถือนิสัยก็ไม่ต้องถือนิสัยได้หรืเป็นอาบัติพิจุผู้อาพาธก็เหมือนกันถ้าขณะที่ป่วยเมื่อไม่ได้ผู้ถือนิสัยก็ไม่ต้องถือนิสัยได้เหมือนกัน ป่วยในระหว่างทางเนยนะจะมีบอกอีกนะพิสูจน์พูดพยาบาลไข่แล้วก็พิสูจผู้อยู่ป่าแม้พิสูจผู้อุปถัมพิสูจน์ไข้อันพิสูจนไข้ออกปากขอย่อมได้เพื่อจะอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือถ้าพิสูจน์ที่ป่วยไข้เดินทางในระหว่างไม่ได้คนถือนิสัยก็ไม่ต้องถือนิสัยได้แล้วก็ถ้าขอให้พิสูจ ด, ดูแลก็คืออุปถัมช่วยอยู่ดูแลให้หน่อย ออกปากขอก็คนที่ดูแลนั้นถึงจะไม่ถือนิสัยก็ได้สมจริงดังพระดารักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสได้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตให้ทิกตุอาพาสเมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยไม่ต้องถือนิสัยอยู่ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตให้ทิกตุผู้พยาบาลไข้เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสั ย, ถ, ส ย, ย, ย, ย, สยถูกทิกตุอาพาสขอร้องไม่ต้องถือนิสัยดังนี้ พี่ตู่ไข่แม้ถูกพี่ตู่พยาบาลไข้กล่าวว่าท่านจงออกปากขอกับเราดังนี้แต่ไม่ออกปากขอเพราะมานะเธอพึงไปก็คือไม่ต้องดูแลแล้วบอกให้ขอร้องเพราะว่าถ้าไม่ขอเนี่ยพี่ตู่ไปดูแลเองเนี่ก็ยังมีโทษไม่ได้เป็นไปตามพระบัญญัติเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกให้พี่ตู่ไข้เนี่ยขอคือออกปากว่าขอให้เราเนี่ยอยู่ดูแลท่านถ้าไม่ออกปากขอก็ ให้ไปนะไม่ดูแลถ้าออกปากขอถึงจะอยู่ดูแลแล้วก็ไม่ต้องถือนิสัยเพราะว่าถ้าไม่ออกปากขอแล้วไปอยู่แล้วไม่ถือนิสัยนี้ก็มีโทษและเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกจุผู้อยู่ป่าเป็นวัดกําหนดการอยู่เป็นผาสุขเมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยไม่ต้องถือนิสัยด้วยผูกใจว่าเมื่อใดจกมีพิจุผู้ให้นิสัยที่จมควรมาอยู่ จักอยู่ถือนิสัยพิกตุนั้นเมื่อนั้นดังนี้เมื่อเธออาศัยที่ใดอยู่มีความผาสุกด้วยสามารถแห่งการได้สมถะและวิปัสสนาเธอกําหนดวิหารที่ผาสุกเช่นนั้นไม่ได้ผู้ให้นิสัยไม่ต้องถือนิสัยอยู่อันนี้ก็ได้หในสารสำหรับพิจตุผู้อยู่ป่าหรือว่าผู้ที่บําเพ็ญเพียนขณะที่ได้วิปัสสนาหรือว่าได้สมถะที่ยังอ่อนอยู่แล้วก็อยู่ในวิหารนั้นๆเป็นผาสุกมากเลย เพราะฉะนั้นถ้าจะไปจากวิหารนั้นก็กลรวว่าสมถะอุปั ส, สนาที่ได้นะจะเสื่อมก็อนุญาตให้เมื่อไม่มีผู้ถือนิสัยมาก็ไม่ต้องถือแต่ว่าตั้งใจไว้ว่าถ้ามีผู้ที่สามารถให้นิสัยไดมาอยู่ก็จะถือนิสัยแก่ทิจจุนั้นก็แลพระโสดาบันย่อมไม่ได้ซึ่งบริหารนี้เลยพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ก็ไม่ได้บุคคลผู้มีปกติได้สมาธิ หรือวิปัสนาอันแกกล้าแล้วย่อมไม่ได้บริหารนี้เหมือนกันไม่มีคำที่จะพึงกล่าวในภาละปุถุชนพูดละเลยกรรมถานเสียแท้คือพูดที่เป็นภาละปุถุชนไม่ได้เจริญสมถานวิปัสนาะอะไรนี้ไม่ต้องพูดถึงจะไม่ได้ข้ออ้างตรงนี้แต่ว่าสมถาก็ดีวิปัสนากดีของภิจตุไตแลยังเป็นคุณชาติอ่อนก็คือยังเป็นตารุณวิปัสนาย่งเป็นสมถะที่ยังเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้ ได้อุปจาระสมาธิแล้วอัปปนาได้แล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปอันนี้ก็ทิฏฐุนี้ย่อมได้บริหารแม้ปวารณาสงเคราะห์ก็คือการเลื่อนปวารณาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทงอนุญาตแต่ติสุผู้มีสมรถะและวิปัสสนาอย่างอ่อนนี้เท่านั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลนี้แม้เมื่ออาจารย์ปวารณาไปแล้วด้วยล่วงสามเดือนจะทําความถูกใจว่า เมื่อใดพิจุผู้ให้นิสัยซึ่งสมควรมาอยู่เมื่อนั้นเราจะอาศัยีิสุนั้นอยู่แล้วไม่ถือนิสัยอยู่จนถึงวันอาสาระปุญณมีก็คือดิถีวันเพ็นเดือนแปดหมายถึงจะเข้าพรรษาใหม่แล้วก็ควรแต่ถ้าในวันอาสาระมากอาจารย์ไม่มาควรไปในที่ที่ตนจะได้นิสัยถ้าจะจาพรรษาใหม่นี้ก็ต้องไปหาคนถือนิสัย เพราะว่าพระพุทธเจ้าอนุากให้กรรมฐานในวัดที่มีคนให้นิสัยด้วยก็อยู่โดดเดี่ยวนั้นไม่ควรเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ถือนิสัยก็มีได้สามบุคคลก็คือพิสูจผู้เดินทางบุคคลหนึ่งแล้วก็พิสูุผู้อาพาธพิสูจผู้พยาบาลไข้อย่างหนึ่งนะแล้วก็พิสูจผู้อยู่ป่ากเป็นวัดก็เลยกลายเป็นสี่บุคคลเลยนะพิสูจเดินทางพิสูจนอาพาธพิสูจผู้พยาบาลไข้เมื่อถูกออกปากถูกพิสูจอาพาธขอ ไม่ต้องถือนิสัยก็ได้ที่สู่ผู้อยู่ป่าเป็นวัดกําหนด ก, การอยู่ผาสุขเมื่อไม่ได้พูดถือนิสัยก็ไม่ต้องถือนิสัยแต่ว่าต้องได้สมถะอิปัสนายอย่างอ่อนอันนี้ก็เป็นเรื่อ ง, องการถือนิสัยนะว่าควรให้นิสัยแก่ใครนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีนิสัยอันดีก็คือศึกษาตามคำสอนของสมมาสมบูรุษเจ้าส่วนผู้ที่จะให้นิสัยก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่ ได้แสดงไว้แล้วขอให้เจริญนอกนามในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็ขอให้ได้บรรลุธรรมเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุแล้วแล้วก็พระอริยาสาวกได้บรรลุแล้วก็คือใจตลอดอริยาสัจสี่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองสาธุสาธุสาธุ